ขอเชิญสาธุชนสดับรับฟังรายการธรรมและทัศนชีวิตบรรยายธรรมโดยอาจารย์วะสินอินทเสลาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศน์ชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมวสินอินทเระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้ เรื่องที่จะนำมาสนทนากับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องพุทธปรัชญาจะนำไปใช้กับเศรษฐกิจอย่างไรอันนี้ก็จากคำถามของนักศึกษามาหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลายปีมาแล้วนะครับ ก็ได้คุยกันที่ตึกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงหลายปีมาแล้วครับตอนนั้นผมยังสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์ <c oughs> <c oughs> ก็ที่คุยกันก็ประมาณสองชั่วโมงก็ะจะนำเรื่องนี้มา เล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ร่วมฟังด้วยแล้วก็ประจวบกับเวลานี้ <c oughs> เป็นเวลาที่เศรษฐกิจกำลังตกต่บค่อนข้างมากแล้วก็บ่นกันทั่วเมืองไปหมดว่าการทำมาหากินลำบาก ว่าเราจะอยู่กันได้อย่างไรต่อไปก็ช่วยช่วยกันไปนะครับพอช่วยกันทางไหนได้ก็ช่วยกันไปช่วยกันทางงานได้ก็ช่วยกันไปทางงานช่วยทางคำแนะนำกันได้ก็ช่วยกันทางคำแนะนำจนกว่าจะพ้นวิกฤตอีกระลอกหนึ่ง ก็ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คงจะเป็นวิกฤตมาเป็นทักทักเป็นละลอกละลอกแล้วก็ก็คงจะผ่านพ้นไปก็ให้ช่วยกันทุกๆุกด้านว่าข้อเรื่องคือพุทธปรัชญาจะนำไปใช้กับเศรษฐกิจอย่างใรอ่า คำถามแรกที่นักศึกษาได้ถามก็คือพุทธปัิยาหมายความว่าอย่างไรคาตอบก็คือว่าพุทธปัิยาก็เป็นปัิยาทางพุทธศาสนาหรือปัิยาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือถ้าจะพูดให้ชัดก็เป็น ปรัชญาที่เกี่ยวกับคําสอนของพุทธศาสนาอาจจะเรียกว่าเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ได้ <c oughs> ปรัชญาก็คือปัญญานั่นเองนะครับเป็นภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตก็เป็นปรัชญาถ้าเป็นภาษาบาลีก็เป็นปัญญา ถ้าเผื่อจะอธิบายให้ชัดเจนขึ้นก็คือว่าในพุทธศาสนามีคําสอนที่เป็นของพระพุทธเจ้าบางเป็นของพระสาวกบางเออเป็นของภิกษุบางภิกษุณีบ้างจนมาถึงเวลานี้เราได้ตีความพระพุทธพจน์ไปได้หลายกระแส ยิ่งทางฝ่ายมาหายาณก็จะตีความไปได้มากมายแล้วก็ได้มีท่านผู้รู้จำนวนไม่น้อยที่ได้ตีความพระพุทธพจน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นพุทธปรัชญา <c oughs> ที่นี่คำว่าปรัชญาในความหมายตะวันออกกับความหมายตะวันตกไม่เหมือนกัน ในความหมายตะวันตกปรัชญาหมายถึงการแสวงหาความรู้รยกว่า searching for wisdom หรการแสวงหาความรู้แต่ความหมายทางตะวันออกปรัชญาหมายถึงความรู้ที่ประเสริฐพรประแปลว่าประเสริฐก็ได้ปรัชญาก็คือความรู้ที่ประเสริฐ ตามความหมายทางตะวันออกที่รวมเอาพุทธปรัญญาเข้าไว้ด้วยพุทธปรัญญาเป็นความรู้ที่ประเสริฐของพุทธของพุทธศาสนาก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกสาวกนี้รวมทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคารือหัต น, นะครับ เทวดาภาสิทธ์ก็มีเทวดาภาสิทธหรือเทวดาพาสิต์ ก, มาาาากม็มีบางคนบอกว่าพุทธศาสนาอยู่เหนือปรัชญานั่นเขาตีความคำว่าปรัชญาของตะวันตกที่หมายถึงเลฟอวิสมความรักในความรู้การสแสวงหาความรู้ ในความหมายทะวันออกปัญญาที่ประเสริฐปัญญาที่ประเสริฐคือความรู้ที่รู้แล้วทำให้เรามีความทุกน้อยลงนี่แหละคือความรู้ที่ประเสริฐความรู้ที่รู้แล้วทำให้ทุกน้อยลงทุกน้อยลงจนกระทั่งถึงถึงที่สุดแห่งทุกแล้วก็ไม่มีความทุกเลย ที่ท่นเรียกว่าที่สุดแห่งทุกที่สุดของความทุกขคือไม่มีความทุกขเลยเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกก็หมายถึงนิพพาน <c oughs> ทีนี้ถ้ารู้ไปรู้ไปความทุกยิ่งมากขึ้นรู้มากขึ้นความทุกก็ยิ่งมากขึ้นอะนั้นไม่ใช่ความรู้ที่ประเสริฐไม่เป็นประจักษ์ ไม่ใช่ความรู้ที่ปเปิดเผยแตะบางทีท่านก็บอกว่ า, าวัตถุประสงค์ของปรัชญาก็คือการค้นให้พบสิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อรู้แล้วก็จะรู้สิ่งทั้งปวงได้ด้วยอันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายสูงระดับสูง ว่าจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์วัตถุประสจุดมุ่งหมายของปรัชญาคือการค้นให้พบสิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อรู้แล้วก็จะรู้สิ่งทางฝวงได้ด้วยอันนี้ปรากฏอยู่ในจุดมุ่งหมายของปรัชญาที่มีอยู่ในตำรารลายแหกที่บอกเอาไว้อย่างนี้ ก็แปลว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นสัพพัญญูเพราะว่าได้ส่งบรรลุสัพพัญญุตญาณแปลว่าทรงทราบสิ่งทั้งปวงก็เพราะว่าได้ไปรู้ต้นตอของความรู้แล้วก็ทําให้รู้สิ่งทั้งปวงได้ด้วยน้อมจิตไปเพืก็จะรู้สิ่งใดก็รู้สิ่งนั้น น้อมจิตไปเพื่อจะรู้สิ่งใดก็รู้สิ่งนั้นเหมือนกับท่านชำนาญในการหนังสือท่านชำนาญในหนังสือท่านอ่านหนังสือมาทุกเล่มทุกเล่มทุกเล่มในห้องของท่านแล้วก็ท่านจําได้แม้แต่รูปเล่มลักษณะของเล่มหนังสือข้อความในหนังสือเล่มนั้นว่าอย่างไรพอน้อมจิตไปเพื่อจะเอาหนังสือเล่มใดก็ไปหยิบเอามาได้ ทำนองนี้นะครับนองนี้ทีนี้ก็นักศึกษาถามต่อไปว่าปัชญานี้นํามาใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไรปรัชญานํามาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรคําตอบก็คือว่าปัญานี้เอามาใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไร ก็ทุกคนก็มีปรัชญาทุกคนมีปรัชญาแต่จะเป็นปรัชญาที่ถูกต้องหรือปรัชญาไม่ถูกต้อง <S <S คือว่าเอาสุภาษิตนี้ไปใช้ก็ได้เอาสุภาษิตต่อไปนี้ไปใช้ก็ได้คือว่าไม่มีความรู้ใดที่อยู่นอกขอบเขตของความคิดแล้วก็ไม่มีความคิดใดที่อยู่นอกขอบเขตของปรัชญา คังอังอีกทีก็ได้นะครับไม่มีความรู้ใดที่อยู่นอกขอบเขตของความคิดแล้วก็ไม่มีความคิดใดที่อยู่นอกขอบเขตของปรัชญาความคิดเป็นปรัชญามันมันปริโลโส ฟ, ฟีก็คือทอดคนก็โโสโ ฟ, ฟีปรัชญาก็คือทอดคือความคิดปริโลโสโฟเฟก็คือ t ิงเกอร์คือนักคิดนักคิดนั่นเอง แล้คนที่มาเรียนปรัชญาต้องเป็นนักคิดถ้าไม่เป็นนักคิดทึ่มๆแล้วก็ไม่ต้องมาเรียนไม่ต้องมาเรียนมาเรียนก็คิดอะไรไม่เป็น<อ>หรือว่ายังไงถือว่าเรียนเพื่อให้คิดเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้ไดความคิดเป็นปรัชญาเว้นแต่ว่าความคิดจะเป็นปรัชญาที่ดีหรือปรัชญาที่ไม่ดี อย่างเวลานี้นะครับคําว่าปรัชญาก็ไปใช้กันทั่วไปเช่นคําว่าปรัชญาการศึกษาปรัชญาการเมืองปรัชญาชีวิตนั่นก็คือหลักในที่นี้หมายถึงหลักหลักของการดําเนินชีวิตว่าชีวิตจะดําเนินได้ตีต้องมีหลักปรัชญาชีวิตก็คือหลักในการดําเนินชีวิต ทีนี้เมื่อรู้ว่าชีวิตจะดําเนินไปด้วยดีก็เพราะว่ามีป ร, รัชญาลึหลักของชีวิตออพอมาถึงตรงนี้ก็จะตอบได้ว่าปรัชญาจะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตยอย่างไรปรัชญาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตยอย่างไรในการดําเนินชีวิตเราใช้ปรัชญาแล้วจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ปรัชญาก็คือหลักแม่โจนก็มีปรัชญาของโจนปรัชญาคือหลักสำหรับที่จะดำเนินว่าจะใช้หลักอะไรจะใช้หลักอะไรพวกวัตถุนิยมก็ใช้ปรัชญาวัตถุนิยมพวกที่เน้นไปทางจิตก็ใช้ปรัชญาในทางจิต พวกการค้าเขาก็มีหลักของการค้าว่าจะดำเนินการค้าอย่างไรอมองเห็นหรือไม่ครับว่าเราต้องใช้ปรัชญาทุกอยา่างต้องใช้ปรัชญาทุกอยา่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนนะ่ะแม้แต่หลักของโจร <c oughs> เมื่อวานนี้ก็ยังคุยกับพระอยู่ในเรื่องท่านถามว่าถ้าถ้ายังงั้นโจรที่มันแค่ทำหน้าที่ของโจรมันก็ถือว่าทําดีโจรที่ทำเพราะเราพูดกันถึงว่าอุปนิสัยแสดงออกทางการทําหน้าที่แต่คนที่ทําหน้าที่ดีคนนี้มีอุปนิสัยดีย่อมจะทําหน้าที่ดีทีนท่านก็ถามว่าถ้า ง, งั้นโจรมันทําหน้าที่ของโจร ก็เป็นโจรที่ดีก็ตอบเป็นสองสองปริยายสองทอนบอกว่าหน้าที่ของโจรเป็นหน้าที่โดยไม่ชอบทำดูแล้ว <c oughs> เพรา ะ, ะนั้นเมื่อมันไม่ชอบทำถึงจะทำหน้าที่ของมันดีมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่ชอบทำมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องแต่ว่า พระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าถ้าจะเป็นโจรให้ยืนนานจะทําอย่างไรอตอนนี้ท่านผู้ศึกษาก็สนใจกันมากว่าเอพระพุทธเจ้าทรงสอนโจรว่าถ้าจะเป็นโจรให้ยืนนานจะทําอย่างไรขอเล่าให้ฟังแต่โดยย่ อ, อพระพุทธเจ้าจัดเอาไว้เหมือนกันแม้แต่โจรก็ต้องมีคุณธรรมของโจรอย่างเช่นว่า อั่งเช่นว่าไม่ไม่ไม่ขโมยไม่ปล้นในหมู่บ้านของตนอันนี้ก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กฮะตั้งแต่เป็นเด็กก็ได้ยินผู้ใหญ่ก็พูดกันว่าโจรที่ดีจะต้องไม่ไม่ขโมยไม่ปล้นไม่ลักในหมู่บ้านของตัวไม่ลักไกลบ้านต้องไปถ้าจะปล้นจะขโมยจะทําอะไรก็ต้องไปทําไกลบ้าน เหตุผลก็เหตุผลก็มีอยู่อะถ้า เ, เกิดปัญหาขึ้นมาหรือถูกไล่จับถือว่าเ อ, อมีปัญหาขึ้นมาเกิดร้อนขึ้นมาก็หลบมาอยู่ที่บ้านใดหลบมาอยู่ในหมู่บ้านของตัวได้อืมแล้วก็ถ้ามีคุณธรรมดีชาวบ้านหมู่บ้านของตัวรักอก็อขอเขาก็ปกป้อง แม้จะเป็นปการปกป้องโจนแต่ว่าโดยธรรมชาติโดยธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นเขาก็ปกป้องก็อยู่ได้ทีนี้ก็อาประการที่สองก็ไม่ไม่ขโมยจนหมดหรือว่าเว้นทรัพย์สินไว้ให้เจ้าของเขาบ้างอันนี้เป็นหลั ก, กข้อที่สองว่าไม่ปล้นจนหมดไม่ขโมยจนหมด <c oughs> เอาเว้นทรัพย์สินไว้ให้เจ้าของเขาบ้างอันนี้ น, นี่เป็นเป็นหลักจีจังหนึ่งที่ทําให้เป็นโจรยั่งยืนเจ้เจ้าทรงสแสดงไว้โดยย่อดโดยย่อพูดโดยย่อก่อนเพียงแค่นี้ทีนี้เวลาโจรแบบนี้มันไม่มีอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นม่เอาหมดครับแต่ว่าอะไรที่พอเอาได้มันเอาหมดหแล้วก็แม่จะ ในหมู่บ้านเดียวกันในบ้านเดียวกันบางทีก็เด็กคนชายนั่นแหละก็ต้มขโมยของนายหรือพาพักพวกมายกของนายไปก็มีพระโจนเดีโบราณเขาพูดกันว่านะได้อาศัยร่มไม้ชายคาของผู้ใดแล้วแม้มาพักร้อนพักฝนก็ไม่เอาแล้วตั้งใจจะมาขโมยบ้านนั้นแต่ ว, ว่าฝนตก มาได้ได้มาอาศัยร่มไม้ช้ยคาของบ้านนั้นก็เดินเลยไปก็เลยไปไม่เอาแล้ว อ, อย่างนี้เรียกว่ามีคุณธรรมของโจรแม่โจรก็มีคุณธรรม <c oughs> คือมีคุณธรรมข้ออื่น อ, อันนี้พูดถึงว่าหลักในการดำเนินชีวิตคนทุกจำพวกต้องมีหลักในการดำเนินชีวิต วัตถุนิยมก็ใช้ปรัชญาวัตถุนิยมพวกที่เน้นไปทางจิตก็ใช้ปรัชญาในทางจิตพวกการค่าเขาก็มีหลักของการค่าว่าจำเนนการค่ายังไรว่าเราต้องใช้ปรัชญาทุกอย่างเอ่อท่าความไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อก่อนนี้มีวิชาอยู่วิชาเดียวคือวิชาปราัชญาคล้ายๆกับ ต้นไม้ที่มีลำต้นแผ่ออกไปเมื่อคือมีอยู่ลำต้นเดียวแล้วตรงนั้นเป็นกิ่งเป็นกิ่งแผ่ออกไปเมื่อค้นคว้าถึงที่สุดแล้วก็แยกแขนงออกไปเป็นจิตวิทยาเพราะว่านักปรัชญาค้นคว้าเรื่องจิตพอรู้เรื่องจิตพอสมควรแล้วเขาก็แยกแขนงออกไปเป็นจิตวิทยาแต่ถ้าคนา้นคว้า ศึกษาทางการศึกษาก็เป็นปรัชญาการศึกษาแ้วถ้าค้นความไปในทางสรีระวิทยาก็เป็นสรีระวิทยาหรือว่าไปในทางธรรมชาติวิทยาก็เรียกว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเมื่อก่อนนี้หลักสูตรมัธยมเขาเรียกวิทยาศาสตร์ว่าธรรมชาติวิทยา ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเนเชอรัลพิลสโฟีคือหลักที่ว่าด้วยธรรมชาติแล้วก็มากลายเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราก็จะต้องใช้ปรัชญาคนที่มีปรัชญาอย่างไรก็ดาเนินชีวิตไปอย่างนั้นมีปรัชญาอย่างไรก็ดำเนินชีวิตไปอย่างนั้น เออจะต่ออีกสักคำถามหนึ่งก็คงไม่พอแล้วครับเวลาก็ร่นเข้ามาเต็มที่ก็เพียงได้สองคำถามอีกเมื่อวานนี้ได้พูดถึงพุทธปรัชญาหมายความว่ายังไ่แล้วก็คำถามที่สองปรัชญานำมาใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไรก็ได้พูดมาแล้วนะครับ สรุปว่าคนมีปรัชญาอย่างไรก็ดำเนินชีวิตอย่างนั้นทีนี้ก็นักศึกษาถามว่าถ้าอย่างนี้ลักษณะความเป็นอยู่ของคนก็ยอมแสดงถึงว่าเขามีปรัชญาอย่างไรหมายถือว่าถ้าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรก็แสดงว่าเขามีปรัชญายชีวิต อย่างนั้นอันนี้คำตอบก็คือว่าเขาได้รับการปลุกฝังมาอย่างไรเขาได้รับการปลุกฝังมาอย่างไรคลายว่ามันมีโปรแกรมอยู่ในสมองว่าถ้าเกิดทรมกลางศาสนาคริสต์เราก็จะเชื่อ ในเรื่องพระเจ้าเรามีกระดาษเกี่ยวกับพระเจ้าหรือว่า <c oughs> แม้แต่เวลานี้ก็ยังมีคําถามที่มีอยู่เสมอที่ว่าอความมีอยู่ของพระเจ้าเป็นจริงหรือไม่ความมีอยู่ของพระเจ้าเป็นจริงหรือไ ม, ม, มออหอ่หรือว่าเป็นเพียงแต่ความคิดคำนึก อ <c oughs> ันนี้ว่าอ <c oughs> ันนี้ว่าถ้าเราเกิดที่อาหรับเราก็นับถือพระอัลลอ์เราก็จะมีปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องของพระอัลลอฮ์ถ้าเราเกิดในท่ามกลางคนที่นับถือศาสนาพุทธเราก็มีปรัชญาในการดำเนินชีวิตแบบพุทธ ถ้าเราเกิดสมัยสุโขไทยเราก็ต้องยึดสุภาษิตพระรวงแตแล้วแต่การปลูกฟังเราได้รับการปลูกฟังมาอย่างไรได้รับการตอบย้ำมาอย่างไรลองดู ใ, ใ, ใกล้ๆตัวเราก็ได้เรื่องลอยกระทงก็เลิกไม่ได้จนบับนี้เพราะว่าเราได้รับการปลูกฝัง ได้รับการตอกย้ำกันมาว่าเป็นกระเพณีที่ดีงามแล้วก็ให้ช่วยกันรักษาไว้เด็กๆก็ทำกันไปตามที่ผู้ใหญ่เขาปลุกฟังมายางไรแต่แม้จะมีคนที่แสดงความเห็นแตกออกไปบ้างหรือว่าเดินสวนทางกันบ้างก็มีจำนวนน้อย มีจานวนน้อยไม่พอที่จะอไม่พอที่จะเปลี่ยนความคิดเห็นของคนส่วนมากได้แต่ก็ยังดีคือว่ า, ามีความคิดอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรก็พูดไปบ้างให้คนได้ยินได้ฟังหรือว่าบางคนก็ได้ประโยชน์บางคนก็ไม่ได้ก็แล้วไป ก่แล้วไปแต่ว่าต้องพูดให้เขาได้ยินเพราะว่าเราตีกลองให้เขาได้ยินนี้เขาคนที่ได้ยินแล้วจะคิดอย่างไรก็ อ, อีกเครื่องหนึ่งว่าสําหรับคนมีโสตเรายอมจะได้ยินเสียงกลองบ้างมาในวัดวัดต่างจังหวัดพอถึงเวลาใกล้เพนเขาจะตีกลองเขาเรียกวกลองเพน แล้วกลายเพนเขาตดกลองบางคนก็ลืมไปเพรได้ยินเสียงกลองก็นึกถึงว่าเอ อ, เ อ, อพระมีอะไรฉันหรือเปล่าพระมีอะไรฉันหรือเปล่าเรามีอะไรพอจะเราพอจะแบ่งได้ถวายพระบ้างใดไหมหรือว่าถ้าจะมีการสแสดงธรรมแล้วเขาก็จ ะ, ะตีระครังตีระครังหรือตีกลองแล้วแต่จะตกลงกันในหมู่บ้านนั้น แล้วก็คนก็ได้ยินได้ยินแล้วก็เออมีการแสดงธรรมจะมีการแสดงธรรมผู้ที่อยากฟังธรรมก็ไปผู้ที่ไม่อยากฟังก็ไม่ต้องไปว่าธรรมอะไรของตัวไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าเราต้องพูดให้เขาได้ยิน <c oughs> เออได้ยินแล้วเขาจะคิดอย่างไรก็อีกก็เรื่องของเขา เขาจะคิดอย่างไรเขาจะมาหรือไม่มาเขาจะทําอย่างไรต่อไปก็อีกเรื่องหนึ่งเขาต้องรับผิดชอบตัวเขาเอง <c oughs> อันนี้ก็นักศึกษาถามต่อไปว่าปัจจุบันปรัชญาช่วยในการประกอบอาชีพอย่างไรใจอาชีพก็มาทันทีอันนี้ก็ตอบว่าปรัชญาช่วยในการประกอบอาชีพแน่นอน ถต่ถึงเราจะมีความรู้ทางคณิตศาสตร์แล้วเราไปประกอบอาชีพสอนคณิตศาสตร์ถึงข น, น้นเราก็ต้องใช้ปรัชญาที่จะทำให้เราเป็นคนดีว่าให้เป็นนักคณิตศาสตร์ที่ดีเป็นครูที่ดีไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างเดียวครูที่ดี การเป็นครูที่ดีเราต้องใช้หลักเราต้องใช้คุณสมบัติต่างๆมากมายเราจรึงจะเป็นครูที่ดีได้ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามีแต่ความรู้มีแต่ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ออกไปมันต้องมีอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นคุณสมบัติของครู <c oughs> เราจึงจะเป็นครูที่ดีายคือนำปรัชญาชีวิตไปใช้แล้วจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม เ, เช่นว่าเขาเป็นคนสุภาพผ่อนโจนเป็นคนขยันขันแข็งเป็นครูที่ลูกศิษย์รักเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆไม่ใช่ความรู้ในทางคณิตศาสตร์อย่างเดียวต้องมีคุณสมบัติอื่นๆประกอบเข้าไป แต่บางทีก็สำคัญกว่าจะอีกสำคัญกว่าความรู้ในทางคณิตศาสตร์จะอีกอย่างนี้พอมองเห็นได้ไหมก็ว่ามีความรู้ทางคณิตศาสตร์พอพอเพียงแค่ชั้นเรียนของเด็กแต่ว่ามีคุณสมบัติอื่นๆมากมายที่จะทำให้เด็ก เกิดความรู้สึกประทับใจในตัวครูถ้ามองไม่เห็นถ้ามองไม่เห็นก็ต้องก็ต้องถามก็ต้องย้ำย้ำกันย้ำกันมองไม่เห็นไม่เข้าใจก็ต้องย้ำกันให้เห็นให้เข้าใจเท่าที่เขาจะรับได้ แล้วก็ถ้าพิจารณาด้วยดีก็จะเห็นว่าเราต้องนำปรัชญาไปใช้ในการประกอบอาชีพทุกอาชีพปรัชญาหรือจริยศาสตร์จริยธรรมศีลธรรม อ, อ่ที่เรียกรวมว่ามอร l ลปริลสโฟีพวกนี้เป็นมอรัลป l ิ s o p ฟ y เรียกว่าเป็นปรัชญาศีลธรรม เป็นจริยศาสตร์ฉันว่าเป็นช่างคนที่เป็นช่างก็มีความรู้ทางช่างแต่ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีความซื่อตรงเป็นคนโกหกหลอกลวงไม่ตรงเวลาแล้วจะมีคนที่ไหนไปจ้างเขาไปทำงานช่างมีคนที่ไหนจะไปจ้างเขาทำงาน ความประพฤติที่ดีงามที่เราต้องคิดถึงนั่นเป็นมอร p h ป l o ล o p ฟีเป็นปรัชญาทั้งหมดอันนี้ก็ทำนำไปใช้ได้ทั้งหมดนับศึกษาของเราที่เรียนหนังสืออยูน่นี่ต้องใช้ความรู้ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรต้องใช้การประพฤติตน เป็นคนดีมากมายประกอบซึ่งเป็นมอรรคพิรุษฟรีถ้าเราขาดมอรรคพิรุษฟีพอไปสอบทุจริตในการสอบเขาเกิดผลร้ายทันทีขาดจริยธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาเขาก็จะลำบากทันทีก็มีตัวอย่างม่เยอะแยะต่ว่าความรู้มีความรู้แต่ว่าไม่มีความดี กาเป็นคนเก่งแต่ไม่เป็นคนดีอย่างนี้บางทีเขาเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดเราต้องควบคู่กันไปก็เป็นคนที่มีความรู้ในทางวิชาชีพแต่ก็เป็นคนดีเพื่อสนับสนุนวิชาชีพนั่นเองแล้วก็ถ้ามีไรายได้มาในการประกอบอาชีพก็นำมาส่งเสริม อาชีพเช่นว่าซื้อตำรับตำราซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทำงานนั้นให้มีคุณภาพดียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้แหละครับเรียกว่าเราจะต้องจัย ญ, ญานำปะจามาช่วยในการประกอบอาชีพให้เป็น ีที่ดีและสุดยอดตอนนี้นักศึกษาถามตอไปว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเอาศาสนาเข้าไปได้หรือไม่ปัจจุบันนี้เขาเอาปรัชญาเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่กับการตราตัวบทกฎหมายในประเทศไทยเ <c oughs> มื่อคืนนี้ก็ยังพูดอยู่ในธรรมร่วมสมัยตอนที่หนึ่งนะครับ บอกว่าอาจะต้องเอาจะต้องสถาปนาศา ส, สนาขึ้นในวงการเหมือนแล้วแม้ในระบบเศรษฐกิจในวงการเศรษฐกิจและในทุกวงการจะต้องเอาศาสนาเข้าไปไม่เนนั้นแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นของที่ เ, เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรดี ว่ามันมันไม่ตรงมันไม่ตรงมันจะมันจะมีอะไรที่เอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัว <c oughs> เห็นแก่ตัวเลมันจะไม่อาจจะเป็นกฎหมายหรือจะว่าจะเป็นเศรษฐกษิจหรืออะไรมันก็ต้องเอาศาสนาแต่ว่าคำว่าศาสนาต้องเข้าใจให้ดีไม่ใช่ศาสนาที่ ไม่ถูกต้องหรือศาสนาตามที่เขาเข้าใจแต่นั้นมันเป็นพิธีรีตองมันเป็นแต่เพียงเอรัฐธิธรรมเนียมประเพณีพิธีรีตองมันไม่ใช่ตัวศาสนาจะต้องต้องจับจับให้ได้ตัวของศาสนาแล้วก็จะจะทําให้สิ่งนั้ น, นจะเป็นเศรษฐกิจหรือจะเป็นการเมืองหรือจะเป็นกฎหมายมันก็จะดีขึ้น อย่างแน่นอนอย่างแน่นอนที่นี้ต่อคมถามนี้ก็อตอบว่าหัวเรื่องที่จะคุยกันก็คือพุทธปริญญานำไปใช้กับเศรษฐกิจอย่างไรอันี้ถ้าเราใช้พุทธปรัญญาไปจัดการกับเศรษฐกิจเราก็จะประสบความสำเร็จ เรื่องของเศรษฐกิจเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีใช้ธรรมะเพียงไม่กี่ข้อใช้ธรรมะของเราพุทธเจ้าเพียงไม่กี่ข้ อ, อเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นทันทีมั่นใจได้เลยครับจะดีขึ้นทันทีใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่ข้อ เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นทันทีการเมืองก็จะดีขึ้นการศึกษาอะไรต่อแล้วมันจะดีขึ้นหมดเลยว่าถ้าเช่นว่าหลักสันโดษหลักความเพียรสัมมาวยามะสันโดษเโภชเนมัตตัญญุตากินอยู่แต่พอประมาณกชากริยานุโยประกอบความเพียร ไม่เห็นแก่หลับนอนหรือความเกียดคร้านไม่เกียดคร้านเว้นอบายามุขทุกประการมันเพียงไม่กี่ข้อครับมันจะสังคมมันจะดีขึ้นมาทันทีเลยแต่ทีนี้ไม่ได้ใช่เรียนรู้แต่ไม่ได้ใช้เรียกว่าทฤษฎีร้อยแต่ว่าการปฏิบัติเป็นศูนย์ การปฏิบัติมีแค่สิบทฤษดีร้อยอย่างนี้มันไปไม่ได้ไปไม่รอดอืว่าต้องเอาตัวเข้าไปทดสอบแล้วก็ไปทําจริงจังเอาไปจะทดสอบเลยเหลักคําสอนก็มีไว้อย่างนี้อย่างนี้ลองเอาตัวเข้าไปทดสอบว่า ทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วผลออกมาจะจะมีผลออกมาอย่างไรไม่ใช่ยุแต่ให้คนอื่นปฏิบัติยุแต่ให้พระปฏิบัติให้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่คาราวาสจะเลวอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนั่นไปไม่ได้เพราะว่าพลเมืองไทยพลเมืองไทยพระเป็นพลเมืองเป็นพลเมืองส่วนหนึ่งของประเทศไทย สมมติว่าพระปฏิบัติปฏิบัติชอบกันหมดเลยทั้งสามแสนรูปไม่มีที่ตำหนิตีเตียนสมมตินะครับสมมติว่าแต่ว่าชาวบ้านไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบลองนึกดูสิจำนวนมันท่วมท้นเท่าไหร่สามแสนหรือสองแสนครึ่งสามแสนกับหกสิบล้านหกสิบเอ็ดล้านหกสิบสองล้าน สู้ไวเลยครับมันไม่ไหวมันหายเข้าไปหมดเลยจำนวนสามแสนนั้นหายเข้าไปหมดเลยถูกกลืนเข้าไปหมดเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าชาวบ้านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสำหรับขฤหัสถ์แต่ถึงพระจะประพฤติเลีวไหลบางไม่ทั้งหมดแหละแม้จะประพฤติเลีวไหล้างสักครึ่งหนึ่ง ิดเครึ่งหนึ่งดีเอาดีครึ่งเสียครึ่งเอาไว้อย่างนั้นแต่ว่าถ้าชาวพานส่วนใหญ่ดีอยู่ไปได้เพราะว่าจำนวนมารือมาจำนวนมากตั้งหกสิบล้านต่อสองสาแสนอย่างผิดกันทั้งจะไม่รู้ทั้งกี่เท่าตัวเพราะฉะนั้น อยามมวไปเกณฑ์ให้พระต้องปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบอยู่เลยเราต้องทำเองชาวบ้านต้องทำเองผมเคยพูดวันก่อนนี้ตรงไหนก็ไม่ทราบบอกว่าการกินการนอนอาการอะไรหลายๆอย่างเราต้องทำเองคนอื่นทำให้ไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตามหลักของพุทธปรญญา อสมมุติว่าเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันหรือว่าทำที่เป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์ในปัจจุบันที่เรียก ว, ว่าทิฏฐิธรรมมิกระทาหรือว่าปฏิบัติอยู่ในอิทธิบาสีหรือว่าธรรมที่เป็นของคารืหัดที่ปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามหลักธรรมเ่านี้เศรษฐกิจของไทยก็จะดีมากทั้งส่วนตัวและส่วนสังคมเพราะในการปฏิบัตินั้นท่านสอนให้เว้นอบายามุกโดยประการทังปวงไม่กินเหลา้าไม่สูบปปุรีไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นการพ น, นันไม่เก็ตค้านทําการงานไม่คบคนชั่วไม่เป็นนักเลงทุกชนิด อย่างนี้ทีนี้ก็ลองนึกดูลองเทียบดูว่าในในบ้านเมืองเราในสังคมเรามันมีอยาใบายามุกท่วมท้นมากมายเศรษฐกิจมันถึงเสื่อมโทรมแล้วก็ทําให้คนไทยเสื่อมเสียอีกด้วยอยาาบ้ายาบ้านี่ปราบกันเท่าไหร่เขาปราบไม่หมดเราก็รู้ใครใครก็รู้ว่าทําไมยังปราบไม่หมดใครใก็รู้จนที่ก็บ่า มีข่าวออกมาว่าจะให้องค์การเพศสัจกรรมผลิตซะเองอเคยมีข่าวออกมานี่ผมผมไม่ทราบนะครับว่าจริงแคอย่างไงองค์การเพศสัจกรรมเขาจะรู้รู้แล้วหรือยังก็ไม่ทราบว่าให้องค์การเพศสัตว์ผลิตซะเองแต่ว่าให้ให้มันให้มันได้ขนาดอแต่พอดีให้ได้ขนาดแต่พอดีอเพราะว่าควบคุมไม่ได้แล้ว ปราบเท่าไหร่ก็ไม่อยู่เอาปิดตัเองทราบข่าวออกมาทางทีวีหรือวิทยุก็ไม่ทราบจไไําไม่ได้นว่าอย่างนั้นเพื่อต้องการจะควบคุมให้ควบคุมได้ให้เป็นยาสามัญไะจําบ้านไปเลยอนะ่าเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นไม่รู้ต้องทำ อ, อ, องค์การบริษัทดูเขาจะว่าอย่างไร อ, อ รว่าถ้าเว้นอบายยมุกได้ในสังคมไทยนี้ปฏิบัติตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่เว้นอบายยมุกโดยประการทั้งปวงอย่างน้อยที่สุดก็เกิดเตื้องขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่าได้เว้นสิ่งที่ควรเว้นได้แล้วก็ทำสิ่งที่ควรทำเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าไอ้ไอ้หกอบายยมุก6เนี่ยมันเป็นรูรั่วของชีวิต มันตั้งหกรูมันไม่ใช่รูเดียวตั้งหกรูเหมือนเรานั่งเรือไปแล้วเรือมันรั่วตั้งหกรูอาวิทกันตายเลยจะไม่ต้องทําอะไรกันแล้ววิทย์น้าเข้าเรือก็เหนื่อยแล้วท่านหลงนิดดูจะมีคนไปสองคนไปได้วยกันสองคนสามคนมันนั่งวิทย์น้ำเข้าเรือแค่สองคนอีกคนหนึงก็แจวมันเหนื่อยตาย แต่ถ้าไม่มีน้ำเข้าเรือเราก็ช่วยกันแจวช่วยกันพายมันก็ไปได้ไกลเนี่ยมันเห็นจะชัดอยู่เนี่ย ม, มันมองเห็นชัดๆอยู่เนี่ยว่าอะไรมันเป็นต้นเหตุแต่ว่าเราทําลายมันไม่ได้ทําไมถึพียงทำลายมันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวไม่นึกถึงคนอื่นไม่นึกถึงความพินาศล่มจมของบ้านเมืองของสังคม ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นแก่ได้เห็นแก่ไ ด, ได้ฉันได้ก็แล้วกันฉันได้ก็แล้วกันแต่ผมก็เชื่อวา่าคนที่ทำอยู่อย่างนี้ไม่ฟังหรอกรายการอย่างนี้คนที่ฟังก็คือคนที่ดีอยู่แล้วคนที่ไม่ทำคนที่ทำอย่างนั้นอยู่ไม่ฟังหรอกก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่จะต้องสั่งสอนประชาชนเท ว, ว่าก็ไม่รู้รัฐบาลคิดยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้พอเว้นสิ่งที่ควรเว้นได้แล้วเขาก็ทําสิ่งที่ควรทําแล้วก็ขยันมันเพียรประกอบอาประกอบสัมมาชิตไม่ต้องห่วงเรื่องโจรเรื่องขโมยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเมาสุราอาดาวาสไม่ต้องห่วงเรื่องพวกเรา ผู้หญิงผู้หญิงของเราที่จะไปไหนมาไหนในเมืองไทยได้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องมีผู้คุ้มกันไม่ต้องมีผู้คุ้มครองไม่มีใครมาทำร้ายลองนึกถูลองนึกภาพดูว่าเป็นความชั่วอย่างนี้ได้การที่จะทำความดีขยันหมั่นเพียรประกอบธรรมชีพรู้จักรักษาทรัพย์รู้จักคบคนดีครองชีวิตตามความเหมาะสมแก่สภาพของตน ถ้าทำได้เศรษฐกิจจะดีขึ้นมาหรือไม่มันจะดีขึ้นมาทันที